จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสรารที่9กามกราคมพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตัดสินจริงเป็นผู้ที่สอนความจริงเป็นผู้ที่มีความประเสริฐในพระคุณสมบัติเช่นมีความบริสุทธ มีความเมตตาโกโราุณามีมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะได้ชำระกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจ ทรงมีพระกรุณาคือความสงสารแก่สัตว์โลกจึงได้ทรงสละเวลาที่พระองค์ทรง ม, มีอยู่ทั้งหมดหลังจากที่ทรงตัดสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วสั่งสอนพระธรรมคำสอนอันกระเสริ ให้แก่สัตว์โลกเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความมืดบอดหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระปัญญาที่ทรงตัดสรู้มาพรท็ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่นําพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนนางมีพระอริยสมสาวกทั้งหลายเป็นสักขีพยานผู้ได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาและมาปฏิบัติจนจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์เป็นผลที่เกิดจากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าแล้วทรงนำเอาสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประกาศสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์คือไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากสัตว์โลกเลย แม้แต่นิดเดียวและทรงประกาศด้วยพระไทยที่เต็มเปลี่ยงไปด้วยพระกรุณาคือความสงสารที่เห็นสัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่รู้จักจบสิน้นด้วยพระปัญญาความรู้ความฉลาดที่สามารถ จำแนกแยกแยะธรรมะ ต, ต่างๆให้แก่สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างง่ายดายตามลำดับภูมิปัญญาของผู้ที่มาศึกษาจนสามารถนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ความคำสอนของพระพุทเจ้าจึงเป็น คำสอนที่พวกเราสามารถให้ความเชื่อได้อย่างร้อเปซพวกเรานั้นเปรียบเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเหมือนคนตาดีท่านสอนให้เราเดินไปทางไหนเราก็ควรจะเชื่อได้อย่างร้อเซว่าเป็นทางที่ดีสําหรับเราจริงๆเหมือนกับคนตาบอด ที่ต้องเชื่อคนตาดีพวกเราอย่าเชื่อตัวเราเองอย่าเชื่อความคิดของเราเองเพราะความคิดของเรานี้ออกมาจากอาวิชชาความไม่รู้จริงออกมาจากโมหะความหลงถ้าเราเชื่อตัวเราเองเราก็จะถูกความหลงถูกอวิชชานี้หลอกให้เราเดินเข้าสู่กองทุกข์ อย่างที่สารโลกทั้งหลายกำลังเดินเข้าไปกันอยู่เช่นพวกที่เชื่อตอนเองที่สอนให้ตนไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นมิตรให้มีความเกียจค้านถ้าเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการทำลายตนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีคุณไม่มีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเลยมีแต่จะนำความเสื่อมนำความทุกข์มาให้เท่านั้นเองแต่ทำไมยังมีการกระทำสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เพราะว่าเขามีความเชื่อในความคิดของเขาเช่นการเล่นการพนันนี้ คนก็เชื่อว่าเล่นแล้วจะร่ำรวยจะกำไรถึงเล่นกันแต่ไม่เคยมองความจริงเลยว่าเล่นไปแล้วกำไรหรือขาดทุนกันแนะ่ส่วนใหญ่ 99% าเปอร์เซ็นต์นั้นขาดทุนกันทั้งนั้นหรือร0อเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แต่เขาไม่มองกันเขาไปมองเวลาที่เขาได้กำไรแต่เวลาที่เขาขาดทุนนั้น เขาไม่ไป่มองกันเขาก็เลยนิคิดว่าเล่นการพนันแล้วจะทำให้เขาร่ารวยได้แต่คนที่เล่นการพ น, น, นันนี้หมดเนื้อหมดตัวมาเป็นจำนวนมากเสียชีวิตไปเพราะเหตุของการพร น, นันก็มีเป็นจานวนมากแต่มองไม่เห็นกันเพราะโมหะอวิชชาไม่ให้มองนั่นเองให้มองแต่ส่วนที่ดีส่วนที่กำไร เช่นเวลาเวลามีข่าวคนถูกรัตเตอรี่เขาจะลงแต่ข่าวของคนที่ถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เขาไม่ลงข่าวของคนที่ไม่ถูกรัตเตอรี่ซึ่งมีเป็นจำนวนมากกว่าหลายพันเท่าด้วยกันวัน <ừ> หนึ่งคนถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้สักเกี่คนแต่คนที่ไม่ถูกรัตเตอรี่นี่เป็นเป็นแสนเป็นล้านคน เขาไม่มองกันก็เลยทำให้คิดว่าการเล่นการพนันแล้วจะทำให้ตนเองร่ำรวยขึ้นมา <c oughs> เพราะว่าความคิดของพวกเรานั้นเป็นความคิดที่มืดบอดนั่นเองเป็นความคิดของคนตาบอดคนตาบอด ก, ก็คิดไปตามจินตนาการคิดว่าข้างหน้าจะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้อยู่แต่เดินไปข้างหน้าอาจจะเดินไปชนต้นไม้ เมื่อเดินไปตกหลุมตกบ่อเมื่องเดินไปให้รถโยมชนก็ได้เพราะมองไม่เห็นคิดไปเองตามความรู้สึกไม่ได้เป็นตามความจริงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดแต่ออกมาจากความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วด้วยพระองค์เองสิ่งที่เป็นโทษพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วสิ่งที่พิษเป็นคุณ พระ อ, องค์ก็เห็นแล้วจึงได้นามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นโทษก็ทรงสอนให้ลดให้เลิกส่วนสิ่งที่เป็นคุณก็สอนให้ทาให้มากๆขึ้นไปสิ่งที่เป็นโทษก็อย่างที่ได้พูดไว้คืออบายามุขมีการเล่นการปนญันเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นนิตร มีความเกลียดคร้านนี่เป็นสิ่งที่เป็นโทษไ ม, ไม่ไม่นำความเจริญความสุขมาให้แล้วก็การกระทาที่เป็นโทษก็มีอีกคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็โกหกหลอกลวงนี่คือการกระทาที่เป็นโทษแก่ผู้กระทาไม่ควรกระทาเพราะกระทาแล้ว จะทำให้พวกระทํานั้นต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ต้องทรมานใจส่วนสิ่งที่ดีที่สงสอนให้ทําก็มีเช่นให้ทําบุญให้ทานให้ทานให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้รับใช้ผู้อื่นให้สงเคราะห์ผู้อื่นนี่เป็นการกระทําที่ดีการรับใช้การสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้อื่นนี้สามารถทําได้กับ ทุกๆคนไม่ไม่เลือกว่าจะเป็นนัก บ, บวชหรือเป็นคารวาห์ผู้ใดที่มีความเดือดร้อนที่เราพอจะช่วยเหลือได้สงเคราะห์ดได้เราก็ก็ควรจะช่วยเหลือเป็นการกระทำที่จะทำให้จิตใจสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็การชำระใจก็เป็นการกระทำที่ดีสำหรับสาหรับผู้กระทำ เพราะการชำระความโลกความโกดความหลงนี้เป็นเหมือนกับการชำระเชื้อโรคที่มีอยู่ภายในร่างกายนั่นเองร่างกายเวลาที่มีเชื้อโรคเราก็ต้องรับประทานยาเข้าไปเพื่อที่จะได้ชำระเชื้อโรคให้หมดไปจากร่างกายพอไม่มีเชื้อโรคหลงเหนืออยู่ในร่างกายร่างกายก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เชื้อโรคของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราได้ชำระความโลภความโกรธความหลงออกไปจากใจแล้วใจก็ละใจก็จะหายจากโรคโรคใจคือโรคของความทุกข์ต่างๆเช่นความหวาดกลัวความกังวลความเสียใจความเศร้าโศกเหล่านี้เป็นโรคของใจที่เกิดจาก ที่เละคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเราชำระด้วยการภาวนาด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญวิปัสสนาใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ก็มาเหยียนย่ำจิตใจของเรานี่คือพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนตรงไปสู่ ความจริงที่เราเกี่ยวข้องอยู่ด้วยความจริงที่พวกเราทุกวันเกี่ยวข้องอยู่นี้ก็คือความสุขและความทุกข์นั่นเองพวกเราชอบความสุขกันไม่ชอบความทุกข์กันแต่เราไม่รู้ว่าทําอย่างไรถึงจะให้เรามีความสุขตลอดเวลาทําอย่างไรถึงไม่ให้เราต้องมีความทุกข์กันก็เพราะว่าเราไม่รู้เหตุของความสุขและของความทุกข์นั่นเอง เรากลับไปทําเหตุของความทุกข์เราจึงต้องมีความทุกข์กันเราไปทําเหตุของความไม่สุขเราก็เลยไม่มีความสุขกันเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทําบุญแล้วก็ให้ละบาปแล้วก็ชําระใจของเราให้สะอาดบริสุท นี่เป็นการกระทําที่จะทําให้ใจของเรานั้นมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไปตลอดเลยปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อและเราจะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลส ข, ของเราหรือไม่เท่านั้นเองปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่า เรามักจะไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับกิเลสเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธแล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ไม่สามารถต้านกระแสของความโลภของความโกรธได้เราต้องไหลาตามไปเวลาอยากได้อะไรก็ไม่มีไม่มีกําลังที่จะไปหักห้ามจิตใจ ไปยับยังจิตใจไม่ให้โลภไม่ให้อยากต่างได้พอโลภแล้วก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเมื่อโลภแล้วก็ต้องไปตะเกียกตะกายไปแสวงหาไปต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้มาในขณะที่ยังไม่ได้ก็ทุกข์กวลกวายพอได้มาแล้ว ก็ต้องมารักษามาห่วงมาห่วงแล้วพอเสียไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นความทุกข์สามระยะระยะแรกคือตอนที่ยังไม่ได้มาก็มีความกังวลกังวกระสับกระส่ายไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่พอได้มาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษา ต้องมาคอยหวงคอยห่วงคอยกังวลแล้วพอเสียไปก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราจะได้ไม่อยากได้อะไรมาเพราะเหมือนกับได้ความทุกข์มานั่นเองความสุขที่ได้มาจากสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้มาด้วย สู้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะดีกว่าใจของเรานี้จะมีความสุขมากกว่าถ้าไม่มีอะไรเลยใจนี้มีสามารถมีความสุขได้โดยไม่มีอะไรแต่นี่เป็นความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเพราะเราถูกอวิชชาความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ต้องมีคนนั้นต้องมีคนนี้ แล้วเราจะมีความสุขกันแต่พอเรามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วมีคนนั้นมีคนนี้แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันอยู่ก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรเลย <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายของเราพอเรามาเกิดเรามาได้ร่างกายของเรา เราก็ต้องทุกกับร่างกายของเราทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ปวดทุกกับความตายทุกกับความต้องการของร่างกายเช่นเวลาร่างกายหิวข้าก็ทุกข์แล้วเวลาร่างกายหิวน้ำก็ทุกข์แล้วเวลาร่างกายปวดท้องต้องขับต้องถ่ายก็ทุกข์แล้วถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้ตามมา มีปัญหาแรกก็คือการมามาได้ร่างกายเรามาได้ร่างกายเพราะอะไรเพราะเรายังมีความอยากอยากในกลางอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ดูได้ฟังได้สัมผัสกับลดกับกลิ่นได้นั่นเอง ดังนั้นพอเราตายจากร่างนี้ไปใจของเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ทันที <c oughs> เราก็มีร่างกายที่เลือกได้สองสามชนิดด้วยกันถ้าเป็นผลเกลาของบาปเราก็จะได้ร่างของเดรชานได้ร่างของสุนัขได้ร่างของแมวแต่ก็หา <c oughs> หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเหมือนกัน สุนัขหรือแมวเขาก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมนุษย์เราก็หาความสุขทางตาหูจมูกรินกายเหมือนกันแต่ตรงที่ว่ามนุษย์เหล่านี้สบายกว่าสัตว์สัตว์นี่ลำบากกว่าเพราะอยู่อย่างลำบากลำบนอยู่ท่ามกลางภัยอันตรายทั้งหลายมนุษย์นี่เราอยู่กันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าเพราะมนุษย์เรามีกฎมีระเบีย ที่จะคอยรักษาป้องกันไม่ให้เรามาฆ่ากันมาทำลายกันแต่สัตว์เขาไม่มีกฎหมายเขาอยู่ท่ามกลางภัยรอบด้านถ้าเผลอเมื่ อ, อไหร่ก็อาจจะถูกฆ่าตายได้นี่คือปัญหาของพวกเราถ้าเรายังมีกามาตังหามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ เราก็จะต้องมาเกิดใหม่ต้องมาได้ร่างกายอันใหม่จะเป็นร่างของสุนของของเดรัจฉานหรือของมนุษย์ก็อยู่ที่บุญที่กรรมถ้าเราทำบาป ท, ทากรรมเราก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานถ้าเราไม่ทำบาป ท, ทากรรมเราก็จะได้ร่างของมนุษย์ <c oughs> แต่ได้ร่างของมนุษย์มาแล้วก็ต้องมารับทุกข์กับร่างกายของมนุษย์นี้อีก เพราะร่างกายของมนุษย์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเจ็บตรงนั้นต้องปวดตรงนี้ต้องหิวน้ำต้องหิวข้าวต้องต้องปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้าห้องท่านี่ก็เป็นความทุกข์ความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่พอพอมีร่างกายแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องมาคอยดูแลรักษาต้องมาห่วงมาหวงแล้วพอเสียไปสูญเสียไปก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนี่เป็นปัญหาของพวกเราที่เราไม่รู้กันมาก่อนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังหาความทุกข์ให้กับเราแทบทุกลมหายใจก็ออก ทุบลมหายใจเข้าออกของเรานี้เราจะนึกแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้นึกแต่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตลอดเวลาแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเรากําลังกว้านเอากองทุกขเข้ามาพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องทุกกับเขาไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นบุคคลก็เช่นเดียวกันคนเราก็ต้องทุกข์เพราะ พอเรามีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรมีทิดาเราก็ต้องมาทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกกับบุตรทุกกับทิดาเนี่ยทุกอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นกันเพราะเราไม่เคยคิดกันคิดไม่เป็นคิดแต่ว่ามีแต่ความสุขสุขกับสามีสุขกับภรรยาสุขกับบุตรสุขกับทิดา แต่เราไม่เห็นเวลาที่ความทุกข์มันตามมาเป็นเพราะว่าเราคิดไม่เป็นเราคิดตามกิเลสเราไม่คิดตามพระพุทธเจ้าเราไม่คิดตามความจริงถ้าเราคิดตามความจริงแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเราจะไม่อยากมีอะไรเมื <ME> ่อเราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราก็ต้องพยายามตัด เหตุที่ทําให้เราไปอยากมีให้ได้ก็คือตัณหานี่เองคือการมาตัณหาเพาว่ตัณหาวิภาวาตัณหาความอยากในการความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกอยู่ตลอดเวลาเราก็จะพยายามต่อสู้กับความอยากเหล่านี้และเราต้องอาศัยเครื่องมือก็คือสติ สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้วยศีลและด้วยฐานนี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ถ้าเราตัดความอยากได้หมดแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะความทุกข์นี้มันเกิดจากความอยากนั่นเองพออยากแล้วอยู่ไม่เป็นสุข พออยากได้อะไรแล้วต้องต้องไปหาสิ่งนั้นทันทีเช่นอยากจะดื่มสุราก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปหาสุรามาดื่มถ้าอยากจะสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปหาบุหรี่มาสูบแต่คนที่ไม่อยากนี้เขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่เฉยเฉยได้เขาไม่ต้องไปหาสุรามาดื่มไม่ต้องไปหาบุหรี่มาสูบ นี่แหละคือความอยากโทษของความอยากเป็นอย่างนี้ทำให้ใจอยู่ไม่เป็นสุขทำให้ใจมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดับความอยากอยู่ตลอดเวลาแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถดับความอยากได้เพราะความอยากนี้ไม่ได้ดับด้วยการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดับนั่นเอง การดับความอยากนี้ต้องดับด้วยทานด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเท่านั้นนี่ละเหตุที่พวกเรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีงกันก็เพื่อที่มาตัดความอยากกันไม่ได้มาทำเพื่ออะไรหรอกแต่เราเข้าใจผิดกันเราคิดว่าเรามาทำบุญให้ทานแล้วเราจะได้ร่ำรวยในภพหน้าชาติหน้า ถ้าเรามารักษาศีลแล้วเราจะได้ไปสวรรค์หรือเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมันก็มีส่วนเป็นผลที่ ต, ตามมาแต่ผลที่เราต้องการจริงๆก็คือเราต้องการตัดความอยากทั้งสาที่มีอยู่ในใจของเราต่างหากเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะการกลับมาเกิดนั้นต่อให้กลับมาเกิดดีขนาดไหนก็ตามก็ยังต้องมา ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีนั่นเ อ, ง, องการเกิดจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีการไม่เกิดต่างหากเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ไม่เกิดนั่นเองตราบใดที่ยังเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่มีใครอยากจะมีความทุกข์บ้างไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันถ้าไม่อยากมีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น และการที่จะไม่เกิดก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปจากใจก็ต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถตัดความอยากทั้งสามได้พอตัดความอยากทั้งสามได้หมดแล้วก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอนอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ตัดความอยากหมดไปจากใจของท่านแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดใหม่แต่ท่านไม่ได้สูญหายไปไหนใจของท่านก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนมีเหมือนใจของพวกเราที่ยังมีอยู่ในขณะนี้แต่ใจของเรามาติดกับกองทุกข์ก็คือมาติดกับร่างกายนี้เท่านั้นเอง ร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวสร้างความเป็นที่ตั้งของความทุกข์ให้แก่ใจถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วเท่านั้นใจถึงจะไม่ทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตัวกทั้งหลายท่านรู้กันท่านรู้ว่ามีร่างกายแล้วทําให้ใจของท่านทุกข์ท่านจึงตัดความอยากที่จะไปเกิดใหม่ ความอยากที่จะไปมีร่างกายอันใหม่พอท่านไม่มีร่างกายแล้วใจของท่านก็ไม่ทุกข์ใจของท่านก็มีแต่ความสุขไปตลอดแต่ใจของพวกเรานี้ยังทุกกันอยู่เพราะยังมีร่างกายและยังมีสมบัติเข้าของเงินทองและมีร่างกายของคนอื่นที่เราไปยึดไปติดเราจึงยังต้องมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องตัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปมีอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องสละไปมีสมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่จำเป็นก็สละไปมีลูกมีสามีมีภรรยาก็สละไปคนที่ออกบวชนี้เขาสละหมดสละสมบัติเข้าของเงินทองสละครอบครัว เพราะก็เห็นว่ามันเป็นกองทุกนั่นเองแล้วเขาก็มาเจริญสติมารักษาสีมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเตือนใจสอนใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรโดยเด็ดขาดเพราะเมื่อมีแล้วจะต้องทุกข์ขึ้นมาทันที นี่คือการปฏิบัติเพื่อตัดความอยากพอมีพอใจมีสติมีสมาธิมีปัญญามากพอมีกำลังมากพอก็จะสามารถสอนใจให้ตัดความอยากทั้งหลายได้หมดเวลาอยากจะได้อะไรก็ตัดได้ทันทีอยากจะไปเที่ยวก็ตัดได้ทันทีอยากจะสูบบุหรี่ก็ตัดได้ทันทีอยากจะดื่มสุราก็ตัดได้ทันที อยากจะไปหลับนอนกับสามีภรรยาก็ตับได้ทันทีจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเมื่อไม่มีความอยากเหลืออยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปนี่คือนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอยู่ที่ว่าพวกเรานั้นจะเชื่อหรือไม่ มีศรัทธาหรือไม่จะปฏิบัติตามหรือไม่มีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ท่านั้นเองถ้าเราเชื่อเรามีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการเกิด ที่มีความยากต่างๆเป็นเหตุที่พาไปให้เกิดนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเค่นี้